พอการศึกษาก็ต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังนั่นแหละเป็นหลักการศึกษาแต่บางท่านบางองค์พอเข้ามาแล้วก็สังเกตตาดูหูฟังใจคิดแต่บางครั้งก็ตีความหมายไม่ออกในการดูในการศึกษาอย่างน้อยก็ต้องมีการแนะนํามีการพูดให้ฟังอาศัยการได้ยินได้ฟัง จากนั้นก็ประกอบกับการได้เห็นจึงรู้ว่าในการประพฤติปฏิบัติหรือการวางตัวของพวกเราจะทําอย่างไรจรึงจะเหมาะสมถูกต้องตามหลักธรรมพิ่ไหนหรือตามกฎระเบียบในวัดนั้นๆเพราะแต่ละวัดแต่ละสำนักจะให้มีกฎเกณฑ์ระเบียบแบบเดียวกันคงเป็นไปไม่ได้คงจะชุดแท้แต่ ที่จิตเจ้าสํานักที่เป็นหัวหน้าพานําหมู่คณะจะพาประพฤติปฏิบัติอย่างไรแต่ถึงอย่างไรก็อยู่ในกรอบของหลักธรรมวินัยไม่ผิดแปลกแตกต่างไปจากหลักธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าท่านวางกรอบเอาไว้แล้วแต่ที่ว่าแปลกแตกต่างแต่ละสํานักก็คงจะผิดเวลาบิณฑบาตอย่างเนี้ยบางวัดก็บิณฑบาตแต่เช้า บางวัดก็บินธบัตรสายก็ต้องมีเหตุและผลในการบินธบัตรสายและเช้าตลอดถึงการฉันก็ฉันเหมือนกันแต่ว่าการฉันเป็นยังไงท่านเน้นธุดงควัดข้อไหนแต่ละวัดและเวลาปัดกวาดทาอย่างไรเวลาไปชุมกันทําอย่างไรเวลามารวมกันทําอย่างไรอย่างนี้เป็นต้นก็ต้องมีกฎระเบียบแต่ละวัดแต่ละสํานักจะไม่เหมือนกัน เพราะนั้นเมื่อเราไปอยู่อีกสำนักหนึ่งเราจะไปเอากฎระเบียบของวัดหนึ่งไปพูดไปข่มอีกสำนักหนึ่งก็ไม่ได้แต่ถ้าหากว่าเราดูว่าผิดหลักธรรมวินัยไม่ถูกต้องในหลักธรรมวินยัยอันนั้นเราแสดงความคิดเห็นได้เราพูดคัดค้านขึ้นมาได้เพราะหลักธรรมวินัยไม่ถูกต้องคือหลักธรรมวินัยเป็นของตายตัวอยู่แล้ว แต่ว่าแนวแถวในการพาดาเนินแต่ละสานักแต่ละครูบาอาจารย์นั้นจะแปลกแตกต่างกันสุดแท้แต่หัวหน้าท่านจะเป็นคนละเอียดละอ or เลือกเป็นคนมีความคิดหยาบละเอียดต่างกันบางครูบาอาจารย์ก็เฉยๆทำยังไงก็ได้พูดยังไงก็ได้แต่บางสานักไม่ได้ต้องอยู่ในกรอบ การจะพูดการจะแสดงการจะมั่วสุมคุยกันอะไรลักษณะอย่างนั้นต้องมีกฎต้องมีระเบียบการวางตัวการกระทาของพระในวัดการปกป้องการดูแลต้องมีขนบธรรมเนียมประเพณีการพูดการดูแลแขกคนที่มาเกี่ยวข้องทั้งหญิงทั้งชายควรวางตัวอย่างไรควรทาอย่างไรควรปฏิบัติอย่างไร อันนี้ก็ต้องได้ศึกษาทั้งพระทั้งเนนแต่ละองค์แต่ละมูเพื่อนนมาจากต่างถิน่นต่างแดนแต่ละญาติโยมมาจากจารตรทิตติทิตต่างๆจะต้องได้ดูจะต้องได้สังเกตเพราะเราเป็นพระในวัดนั้นๆก็เหมือนกับลูกในวัดนั้นๆมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นก็เป็นหน้าที่ของลูกจะต้องดูจะต้องต้อนรับขับสู้ ฝ่ายพระมาทำอย่างไรพักที่ไหนอย่างไรให้ความครบอย่รงไร <Okay. S 1> อาคัรตุกวัดสำหรับญาติโยมทุกระดับที่มาเกี่ยวข้องควรจะทำยังไงปฏิบัติยังไงการอยู่รับนอนยังไง <Okay. S 1> อันนี้ก็เป็นหน้าที่ของพวกเราจะต้องดูแลจะต้องช่วยกัน <Okay. S 1> เพราะว่าที่มาทั้งหมดก็คือพุทธบริษัทสี่คือหมู่พวกเพื่อนของเรานั่นแหละไม่ใช่อื่นไกล ทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายทั้งพระทั้งเนนถ้าหาว่าไม่มีความเคารพไม่มีความเรื่อมใสไม่มีศรัทธาก็ไม่ไปมาหาสู่กันอันนี้คือคิดว่าเป็นครูบาอาจารย์ที่ท่านเคารพที่ญาติโยมเคารพถือมาเคารพก็คือมาหาพ่อของเราก็คือครูบาอาจารย์พวกเราในฐานะลูกก็ต้อนดูผู้มาเกี่ยวข้องอันนี้คือ เกิดความสมัครใจของหมูพวกพืช อ, อยากจะมาหาแหล่งที่สงบหาแหล่งภาวนาหาแหล่งปฏิบัติแตหาว่าพวกเราไม่ได้คิดจะปฏิบัติหรือไม่ฝึกหัดดัดเกล้าตัวเองเราไปอยู่ในสถานที่ใดก็ได้ตสะดวกสบายอยู่ในบ้านในเมืองมีนะ้ำมีไฟมีอะไรพร้อมทุกอย่างแต่อันนี้พวกเราก็ตักในสิ่งเหล่านั้นออกมาเพื่อปฏิบัติมาสา ะ, ะแสวงหา ที่สงบสงัดอยู่ในป่าเขาลําเนาไพลเรียกว่าหาที่สงบหน่อเสนาสนะสัพไยะเสนาสนะเป็นที่สบายคำว่าสบายคํานี้นี่ยไม่ใช่ว่าสบายด้วยเครื่องเฟอร์นิเจอร์ด้วยเครื่องอํานวยความสะดวกต่างๆตามความหมายของพระพุทธเจ้าเสนาสนะสัพไยะเสนาสนะเป็นที่สบายเสนาสนะเป็นที่สงบหลีกล้น ปฏิบัติทั้งกลางวันและกลางคืนไม่พุกพ่านวุ่นวายเสียงไม่รบกวนอยู่ในที่สงบสงัดเหมาะแก่การประพฤติปฏิบัติการภาวนาหาความสงบอันนี้เรียกว่าเสนาสนะสัปปายะอุตุสัปปายะอากาศเป็นที่สบายไม่ร้อนนักไม่หนาวนักฝนไม่ตกมากจนเกินไปอันนี้เรียกว่าอุตุสัปปายะ อันนี้ก็สุดแท้แต่ดินฟ้าอากาศเราจะไปตกแต่งเอาทีเดียวก็ไม่ได้เพราะเราอยู่ในใต้ฟ้าเนี่ยจะให้ได้อย่างใจของเราคงจะไม่ได้อันนี้ก็ต้องตามการตามเวลาตามสมัยของมันอันนี้เรียกว่าอุตส่าปลายะเราก็พยายามปฏิบัติในเมื่อโอกาสอันเหมาะสมในเมื่อฝนมาหยุดตกเราก็เดินจงกรมเวลาฝนตกเราก็พยายามนั่งให้มากอย่างนี้เป็นตน้น แต่ถึงยังไงเราก็ต้องภาวานาหาช่องเอาโอกาสที่จะต้องประพฤติปฏิบัติเพราะเรามาประพฤติปฏิบัติเราไม่ใช่จะมาอยู่มากินมานั่งมานอนอยู่เฉยๆถ้ามานั่งมานอนอยู่เฉยๆเราอยู่คารวาสเราก็อยู่ได้อ น, นี่เราเข้ามานะเพื่อจะฝึกหัดดัดนิดสัยตนเองมาให้เป็นพระที่สมบูรณ์แบบมันก็ต้องฝึกหัดอย่างนี้ฝึกหัดเป็นพระกรรมฐานอย่างนี้ต้องสู้ทุกรูปแบบ สู่ทั้งกินทั้งนอนทั้งหลับทั้งการเป็นอยู่ทุกอย่างสรุปแล้วก็คือสู้ทางใจของตัวเองด้วยใจตัวเองตะกอนมันเคยคิดไปในทางเรื่องต่างๆเรื่องกิเลสเรื่องตัณหาเรื่องมาณะทิฏฐิอะไรก็าตามแต่มาปวดเป็นผ้าแล้วเราฝืนทั้งความคิดของเราด้วยฝืนความคิดของเราเนี่ยแหละเป็นเรื่องที่หนักหนักกว่าการฝืนสู้การงานทางนอกเป็นไหนๆแต่ว่าสู้ทางนอกเนี่ย เรายังพอทนไหวแต่ว่าสู้กับอารมณ์ทางในใจของเราเนี่ยอันนี้หนักแต่ถึงจะหนักก็เถอะเราก็ต้องสู้ถึงจะไม่ชนะเด็ดขาดแต่ชนะช่วงใดช่วงหนึ่งการใดการหนึ่งหรือว่าเสี้ยวใดเสี้ยวหนึ่งเราก็ยังมีความภาคภูมิใจนะเอาชนะใจตัวเองได้เพราะฉะนั้นเราจึงสู้จุดนี้อีกจุดหนึ่งตุสปายะในการเป็นอยู่แล้วก็อาหารสัปายะ อาหารเป็นที่สบายคําว่าอาหารเป็นที่สบายในหลักทำคําสั่งสอนของพุทธเจ้าไม่ใช่ว่าอาหารเหลือเฟืออาหารดีๆทานเข้าไปแล้วโงกห่ว ง, ง, วงเกิดส่งเสริมกิเลสตัณหาขึ้นมาอันนั้นไม่ใช่อาหารอุตส่ปปาหปยะอันนั้นเป็นว่าอาหารเป็นที่ทําลายอาหารระส่ปปาปลยะเนี่ทานเข้าไปแล้วอิม่มไม่ ง, ง่ไม่ง่วงไม่ทับไม่ถมจิตใจปลอดโปร่งร่างกายปลอดโปร่ง ก็พร้อมที่ประพฤติปฏิบัติพงอาจารย์ได้อันนี้เร่าอาหารสัปปายะบุคคะสัปปายะบุคคลเป็นที่สบายหมู่พวกเพื่อนครูบาอาจารย์ตลอดถึงศรัทธาญาติโยมที่มาเกี่ยวข้องมีความคิดเห็นแนวแถวเดียวกันเพื่อสร้างบุญสร้างกุศลเพื่อชำระจิตใจให้บริสุทธิ์ผุดพองมีการประพฤติปฏิบัติ เรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญามีความเห็นเป็นแถวแนวเดียวกันอันนี้เรียกว่าปุคคะสปายะบุคคลเป็นที่สบายถ้าหากว่าบุคคลไม่เป็นที่สบายก็มีการทะเลาะวาะแวงกันมีความเห็นแปลกแตกต่างกันมีความคิดแข่งแย่งกันเหล่านี้ถ้าหากว่ามันอยู่ในกลุ่มของพวกเราก็หาความสงบสุขไม่ได้เพราะนั้นพวกเราให้สำรวมให้ระวัง จะให้กระทบกระเทือนซึ่งกันและกันในการประพฤติปฏิบัติมาบวชในครั้งนี้มีอะไรประพูดกันด้วยเหตุด้วยผลเพราะพวกเราได้รับการศึกษามาโดยดีด้วยกันทุกคนเป็นผู้ใหญ่ด้วยกันทุกองค์ที่เป็นพระเก่าก็ได้ฝึกหัดดัดตัวเองมาพอสมควรเพราะนั้นการอยู่ร่วมกันอย่าให้กระทบกระเทือนซึ่งกันและกันมันเป็นผลเสียในการประพฤติปฏิบัติถ้าหากว่าพวกเราไม่เข้าใจกันถึงมาอยู่ร่วมกันเนี่ย วันหนึ่งก็เป็นราตีอันยาวนานนะคนทะเลาะกันคนไม่เข้าใจกันเนีวันหนึ่งอาทิตย์หนึ่งเดือนหนึ่งโอ้มันเหมือนกับยาวเหลือเกินแต่ถ้าหากว่าการอยู่ด้วยความร่มเย็นผาสุขเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันรู้จักมีการเกื้อกูลอุดหนุนกันมีความเห็นผ้องต้องกัน ต, ตัวเองก็ภาวนาจิตใจก็มีความร่มเย็นเป็นสุขจิตใจสงบเยือกเย็นหนึ่งราตีหนึ่งแล้ววันหนึ่งนะมันแป๊บเดียวแป๊บเดียวแป๊บเดียวท่านเอง แต่ถ้าว่าอยู่ด้วยความอึดอัดอยู่ด้วยความระทมทุกข์ในจิตใจแล้ววันคืนเดือนปีเนี่ยรู้สึกว่ามันยืดยาวเหลือเกินนะเพราะฉะนั้นพวกเราให้ระมัดระวังในการอยู่ร่วมกันอย่าไปพูดอะไรยุแย่หรือจะไปพูดเล่นกันเกินไปจะทําทให้เป็นสาเหตุแห่งการทะเลาะวิวาทได้ง่ายๆแต่ว่าการอยู่ร่วมกันแล้วก็การบวชเข้ามา ก็ต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังอย่างที่ผมกล่าวเบื้องต้นนั่นนหะถ้าหาว่าไม่ได้ยินได้ฟังเราอยู่เฉยๆเราไม่ได้ศึกษาความรู้ความฉลาดของเราก็ไม่เกิดเพราะนั้นมันต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังอย่างตอนเช้าผมคิดอะไรออกผมก็พยายามจะให้พวกเราได้ยินได้ฟังบางจุดบางเรื่องที่สมควรจะได้รับรู้ เพราะว่าพวกเรามีโอกาสน้อยได้มาสัมผัสในทางพระพุทธศาสนามีโอกาสเพียงสามสี่เดือนเพราะฉะนั้นพวกเราก็ควรจะได้ยินได้ฟังแต่บางท่านบางองค์ก็อาจจะเกิดความเบื่อในการได้ยินได้ฟังแต่ถึงจะเบื่อก็เถอะเหมือนกับผมอยู่กับครูบาอาจารย์หลวงปู่ลาศสําหรับผมเองบางทีท่านก็พูดหลวงปู่ลาดเนท่านจึงพูดบ่อยนะพูดแง่ความคิดอย่างนั้นแง่งความคิดอย่างนี้ เวลาเดินตามหลังเราจะเดินก่อนก็ไม่ได้นะท่านแม่เดินท่านบอกว่าการแสดงทำผู้ฟังทำย่องเดินตามหลังครูบาอาจารย์พูดต้องเดินตามหลังฟังแล้วก็เดินตามหลังบางทีตั้งแต่วัดจนถึงบ้านบางทีถึงบ้านก็ถึงวัดเดินตามหลังกับพูดแง่ความคิดต่างๆอะไรให้ฟังแต่บางทั้งกัซ้ํากันมันก็มีที่ท่านพูดไปแต่เราฟังฟังมันก็เด็กใช่ไหมบางทีก็เบื่อเบื่อเหมือนกันนะอ่ะ แต่ทุกวันนี้พอมานึกย้อนหลังท่านลักษณะเหมือนกับเหมือนปู่สอนหลานอยากจะให้หลานมีแนวความคิดที่ดีให้เป็นผู้สำเนีจอเป็นผู้ไข้ควรให้เป็นผู้พิจารณาในแง่ธรรมะต่างๆพอเรามารู้ได้โอ้ยกมือท่วมหัวมางั้น้เถอะที่ท่านพูดให้ฟังมันอยู่ในจิตในใจของเราทั้งหมดที่องค์หลวงปู่ท่านสอนเอาไว้ท่านบอกเอาไว้พอมาอยู่กับหลวงตาทีนี้ ในพนแนวความคิดของหลวงปู่ที่ท่านแนะนําสั่งสอนน่ะเราเอามาใช้ได้ทั้งหมดเลยเอเนี่ยเมื่อฟังเข้าไปแล้วเมื่อได้ยินเข้าไปแล้วเพราะอะไรมันผ่านมาเนี่ยเราจะรู้ได้เอออันนี้จะต้องเป็นอย่างนี้เอออันนี้จะต้องเป็นอย่างนี้เี่ยเพราะนั้นการได้ยินได้ฟังเนี่ยไม่เสียหายข้อสําคัญให้ทั้งอกตั้งใจฟังเนอ ส, สุสังรสเตปัญญงผู้ฟังด้วยดีจ้องเกิดปัญญา อ, อันนี้คือหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าท่านพูดเอาไว้ตรัสเอาไว้ สุสังรัตเตปัญญังผู้ฟังด้วยดีย้อมเกิดปัญญาการพูดครูบาอาจารย์พูดท่านก็เคยมีประสบะการณ์แนวความคิดมาก่อนท่านก็เอาแนวความคิดที่ท่านประสบะการณ์จากครูบาอาจารย์จากที่ต่างๆมาพูดมาเล่าให้พวกเราได้ยินได้ฟังอย่างในเทปก็เหมือนกันท่านพูดในเทปแนวแถวข้อคิดในเทปแต่ครูบาอาจารย์ก็มีแถวแนวผลลอย่างกัน แต่ลักษณะก็คล้ายแถวแนวเดียวกันแต่ว่าในการประพฤติปฏิบัติทมแต่ละองค์นั้นท่านได้แง่ทำด้วยได้ทำมาแปลกแตกต่างกันเหมือนกับคนแสวงหาทรัพย์นั่นแหละนี่แหละการปฏิบัติบางอย่างเราต้องเชื่อในครูบาอาจารย์เราจะไปเชื่อในความคิดของเราเองเมื่อเราเชื่อในความคิดของเราเอง พอเราปฏิบัติไปผิดที่ผิดทางก็ไปทําให้เสียศูนได้นะเป็นบ้าได้ง่ายๆเพราะธรรมะของพระพุทธเจ้าเนะ่ยเป็นนิยานิกรรมนําผู้ประพฤติปฏิบัติให้สวยงามให้ถูกต้องให้เป็นธรรมแต่บางคนปฏิบัติไปแล้วเสียศูญเสียบุ ค, คลิกไปอันนี้เป็นการปฏิบัติไม่ถูกต้องเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้บางครั้งก็ต้องได้อาศัย จากครูบาอาจารย์ที่แนะนำอย่างที่เป็นสักครู่นี้เวลาการนั่งภาวนาผมเคยบอกแต่ทีแรกแล้วว่าการนั่งภาวนาให้กาหนดลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทถ้าว่าจิตมันออกไปนอกหลู่นอกทางแค้ว่ามันปีนิมิตจะมีเสียงแบ้าเข้ามาก็ตามจะเป็นนิมิตเกิดขึ้นมาในขณะนั้นก็ตามอย่าไปตามดูนิมิต อย่าไปตามดูความรู้ความเห็นนั้นต้องกลับเข้ามาหาฐานเดิมคือเราภาวนาอะไรเบื้องแรกกําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกเราก็กําหนดเข้ามาหาจุดนั้นเรื่องเหล่านั้นมันก็จะหายไปเองแต่ถ้าเรานั่งภาวนาจิตใจเข้าสู่ความสงบมันเย็นสบายมันนิ่งผลที่สุดมันลมจะหมดหมดหมดหมดลมไปพอหมดลมเราเอาสติจับตรงที่ลมหมดนั่นแะ ใครรู้ว่าลมหมดตาเดชมันก็จะเข้าสู่ความสงบนิ่งเป็นหนึ่งสติของเราจะสมบูรณ์ที่สุดอ่าสติเป็นอะไรจิตเป็นอันนั้นจิตเป็นอันใดสติเป็นอันนั้ น, น, อ, น, น, นอันนั้นก่าจิตเข้าสู่ความสงบจากนั้นก็ถอนขึ้นมาแต่ถ้าหากว่าเราภาวนาไปแล้วมันมีสิ่งอะไรที่มาคล้ายๆว่า ม, มันเป็นสังขาร น, นั่นแหละที่องค์ที่ท่านพูดเมื่อกี้เนี่ย มันเป็นสังขารหลอกตอนเองมันเป็นความคิดตัวเองหลอกตอนเองปั่ น, นวดอย่างงั้ น, ด น, ยย น, นเดินท่าอย่างงั้นเดินทําอาการคริยายอย่างนั้นอย่างนี้ใครๆบอกใจของตัวเองขึ้นมาขึ้นมาบอกมันหลงสังขารเ น, นี่ยกูบาอาจารย์บาหลงสังขารบ้าสังขารบ้าหลงสังขารคือสังขารคือความปรุงแต่งในจิตใจของเราเองแต่เราสติปัญญาเราไม่ทันเนีมันก็เหมือนกับสิ่งอื่นเข้ามาบอกสิ่งอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ตามที่จริงมันใจของเรานั่นแหละ แสดงออกเราตามไม่ทันปัญญาเราไม่ทันนี่แหละตัวนี้แหละเรียกว่าวิปัสสนูได้ง่ายงายนี่คือความเห็นผิดวิปัสนานี่คือการละกิเลสต่อยกิเลสชําระกิเล ส, ลเลสแต่วิปัสสน์นั้นคืใช้คำว่าเป็นความเข้าใจผิดหลงผิดต่อไปถ้ามากกว่านี้ก็จะท้าวตัวเองเป็นผู้วิเศษคนอื่นไม่รู้เท่าตัวเองในจะไปใหญ่เลยท่นี่ใครล้งไม่อยู่และท่นนี้ จุดนั้นเนี่ยก็จุดที่น่ากลัวมากๆนะครัว่าอดอาหารก็กลับมาฉันอาหารซะถ้ามันเป็นลักษณะนี้ครับว่ามันไม่เสียศูนย์ว่างั้นเถอะมันจะลังไม่อยู่แต่การอดอาหารเนี่ยการภาวนานมันไปได้ดีนะมันหวิวนะแต่ถ้าว่าเราเอาไม่อยู่เราเขารู้เลยสังเกตเออใจมันจะลังไม่อยู่เว่ยกลับมาฉันอาหารให้พยายามอย่าไปเพ่งต่ออย่าไปทําต่ออืมกลับมาฉันอาหารเลยตั้งศูนย์ใหม่ ตั้งท่าใหม่ให้สังเกตดูทีนี้ก็สังเกตดูท่าว่ามันออกนอกลูกนอกทาง แ, แสดงว่ามันผิดแล้วว่างนั้นเถอะกลับใหม่เอพราะว่าธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยใครให้เห็นก็สวยงามไม่ใช่ว่าลำมวยจีนอะไรลักษณะอย่างนั้นนะไม่ถูกต้องละมันผิดแล้วผิดที่ผิดทางแล้วเอไม่งามไม่ถูกต้องแล้ ว, ล ว, ล ว, ลวคือผู้ปฏิบัตินี่ต้องอรู้มีสติอยู่กับตัวเองการเคลื่อนไหวอะไรรู้อันไหนผิดอันไหนถูก อันนี้ขนาดตัวเองยังไม่รู้การกระทำอย่างนั้นถูกหรือผิดเนี่ยยังไม่รู้น่แสดงว่าเราขาดสติไปมากแล้วเพราะนั้นต้องกลับมาหากรรมฐานเดิมกรรมฐานคือเราตั้งจุดไว้จุดใดเบื้องแรกกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกกลับมาหากรรมฐานนั้นอย่าไปตามดูถ้าไปตามดูแล้วมันไปใหญ่เลยบางทีเสียงึ้นมาแววึ้นมาในจิตใจของเรา ท่านเป็นอย่างนั้นนะท่านเป็นผู้จิตสงบนะท่านเป็นพระนาคามีนะท่านเป็นผู้มีฌานท่านปุญผู้เดีญานทัศนะแล้วนะท่านเป็นพรลหัน์แล้วนะอบางทีมันแว่วขึ้นมาไม่ใช่เสียงแว่วในหูนะมันเป็นเสียงแว่วขึ้นมาจากจิตใจอย่างนั้นก็มีบางคนก็ไปเชื่ออย่างนั้นเข้าพอเชื่ออย่างนั้นเข้าที่น่ะเป็นหลงนะถือว่าตัวเองเป็นผู้วิเศษขึ้นมาเดี๋เป็นบ้าในง่ายๆสิ่งเหล่านี้มันต้องอาศัยถามครูบาอาจารย์นะเพราะหนทางเราไม่เคยเดินแต่ขนาด เรานั่งรถไปเราขี่รถไปเราหลงทางเรายงลงถามข้างทางว่าทางนี้ไปทางไหนไปจุดนั้นได้ไหมไปยังไงเยเรายังถามอันนี้การภาวนาก็เหมือนกันเราจะไปเชื่อเราไม่ได้แต่เมื่อเราทำไปแล้วมันเป็นยังไงเราก็ต้องถามถามอาจารย์ครูบาอาจารย์เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เป็นยังไงจากนั้นเราก็ต้องเชื่อนี่ไม่ใช่ว่า ถามไปแล้วเอ้ยครูบาอาจารย์เนะีภูมิสูเ้เราไม่ได้อันนั้นแหละเสียหละเสียศูนย์อีกเลยเป็นบ้าอะไรง่ายๆนะอย่างงั้นน่ที่มันเสียเพราะท่านเคยผ่านมาแล้วท่านเคยเห็นมาแล้วี่ในสิ่งเหล่านั้นเพราะนั้นเวลาท่านบอกว่าอย่าทําอย่างนั้นนะก็ต้องหยุดอันนี้ถ้าจะว่าไปแล้วก็มันเป็นพื้นฐานที่จะเข้าไปสู่ความสงบได้เนี่ยมันเป็นแนวทางหนึ่ง บางองค์มันก็เข้าไปสู่จุดได้ง่ายเข้าสู่ความสงบนิ่งได้เลยแต่บางองค์ก็อย่างว่าเนี่ย ม, มันออกไปแฉลบว่างั้นเถอะมันลักษณะแลปออกไปนอกทางถ้าหงว่าไม่ได้รับการแนะนําที่ดีทําให้เสียคนไปได้เสียพระไปได้อย่างเนี้ยเสียไปได้เพราะฉะนั้นภาวนาตั้งต้นใหม่ไม่เป็นไรไม่เสียหายไม่ถึงเสียหายเราก็จะได้รู้ได้ว่าเออเป็นอย่างนี้การภาวนา ต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังสุตตะมยปัญญาปัญญาเกิดจากการได้ยินได้ฟังกินตาม ย, ยาปัญญาปัญญาเกิดจากการจินตนาการทบทวนเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วนำมาประพฤติปฏิบัติแล้วกับภาวนามยปัญญาปัญญาเกิดจากการทำจิตให้สงบทำจิตให้เป็นหนึ่งเมื่อจิตสงบเมื่อจิตเป็นหนึ่งแล้วก็ น, นามาพิจรารณา เพียานาล่างกายสังขารคือร่างกายของเราเนี่ยแหละเนี่ยร่างกายของเรามีอะไรบ้างมีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกอาการสามสิบสองมีตับไตไส้พุงเหมือนของสัตว์ของหมูของหมาของวัวของควายนัน่นแหะเพียงแต่ว่าเราเป็นมนุษย์แต่ว่าตาไม่จริงกับมีครบเหมือนกันถ้าจะว่าไปขาดแต่หางตนเองเมนุษย์ไม่มีหางเหมือนนั่นเถอะแต่ฉนีก็ไม่มีหางเหมือนกัน เอขาดอย่างเดียวแต่นอกนั้นก็เหมือนกันหมดนะ่ะขนของเราก็มีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกมีพร้อมหมดทุกอย่างแต่ว่าร่างกายอันนี้เยมันเป็นอันนี้จังของไม่เที่ยงเกิดขึ้นมาแล้วก็แก่เจ็บแล้วก็ตายมันจะเที่ยงที่ไหนอะทุกขังเป็นทุกข์เนื่อเมื่อมันแปรปรวนอยู่อย่างนั้นะมันจะหาความสุขที่ไหนได้เดี๋ยวกระครับเดี๋ยวกรทายเดี๋ยวกรร้อนเดี๋ยวกระหนาว เดี๋ยวก็เจ็บเดี๋ยวก็ปวดอยู่งั้นนะจะเป็นสุกไหมอย่างนั้นเนี่ยมันเป็นทุกข์อืมร่างกายเนี่ยเป็นกองทุกข์ทุกข์มันมีอยู่สองเหมือนกันนะทุกข์ภายนอกทุกข์ภายในอยเวทนานอกเวทนาในาอเวทนาในาใจของเราอีกส่วนหนึ่งเวทนาภายนอกอีกส่วนหนึ่งเวทนาภายในก็คือใจปรารถนาไม่สมความมุ่ง ม, มาดปรารถนาใจพัดพลากจากสิ่งอะไรต่างๆอันนี้ระหว่างมันทุกข์ทางใน ใ, นใจเวทนาทางใจ เปลี่ยวพัฒนาทางกายก็คือเนี่ยเย็นร้อนอ่อนแข็งเก็บหิวกระหายอะไรลักษณะอย่างเนี้เรื่อทุกข์กายทุกข์ใจสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่ตัวตนของเราที่นี่มันเป็นอนัตตาบอกไม่ได้ใช่ไม่ฟังบอกว่าอย่าเป็นอย่างนั้นนะอย่าเป็นอย่างนี้นะใครบอกมันฟังว่าอย่าแก่นะอย่าเจ็บนะอย่าตายนะอย่าทุกข์นะใครบอกมันได้มันก็เป็นตามสภาพของมันทั้งจังว่าร่างกายอันนี้เป็นอนัตตา เป็นอนิจจังของไม่เทียงทุกขังเป็นทุกอนัตตาไม่ใช่ตัวตนควรพิจารณาให้เกิดความเบื่อหน่ายให้เห็นตามสภาพความเป็นจริงเมื่อเห็นตามความเป็นจริงแล้วก็จะเกิดความเบื่อหน่ายคลายแล้วก็จะหลุดพ้นหลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายไม่ยึดไม่ถืออีกจากนั้นก็หลุดพ้นจากกิเลสทั้งหลายทั้งปวงอันนี้คือการประพฤติปฏิบัติตุดใหญ่ของ พวกเราตั้ง อ, อกตั้งใจปฏิบัติเนี่ยเพื่อหาทางพ้นทุกข์เท่านั้นเองพ้นทุกข์ในวัฏจัสงสารไม่มาเกิดแก่เจ็บตายอีกเพราะเรามาเกิดแก่เจ็บตายกัอย่างที่เราเห็นเนี่ะใครจะว่าสุขขนาดไหนก็สุขเถอะมันทุกข์เข้ามาแฝงไม่ใช่น้อยเหมือนกัน อ, อแก่เจ็บตา ย, ยใครว่ามันสุขอเออใจจะขาดดิ้นผัดผาดเนี่ยเราเห็นว่ามันสุขไหมร่างกายใจจะขาดมันสุขไหมมันทุกข์มันทุกข์มากๆ คะนั้นท่านจึงให้พิจารณาให้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก่อนที่จะเห็นอย่างนั้นได้มันต้องภาวนามายะปัญญาต้องใช้ปัญญาพิจารณาซะก่อนต้องทําจิตให้สงบซะก่อนจึงพิจารณามันจึงเป็นชิ้นเป็นอันถ้าหากว่าจิตใจของเรามันแตกผ้าอยู่อมันคิดปุงฟุ้งซ่านอยู่จะมาพิจารณาเป็นภาวนามายะปัญญาไม่ได้ มันผ้ามันไปเป็นจุดแบบงั้นเถอะแต่ถ้ า, าว่าทําจิตให้สงบทําจิตให้เป็นหนึ่งซะก่อนแล้วนํามาพิจารณาอนิจจังก็ดีทุกขังก็ดีอนัตตาก็ดีพิจารณาไตรักส่วนใดส่วนหนึ่งก็ดีพิจารณาธาตุขันธ์ร่างกายของเราจุดใดจุดหนึ่งก็ตามในร่างกายสามสิบสองเนี่ยพิจารณาผมก็ได้พิจารณาขนก็ได้พิจารณาเล็บก็ได้พิจารณาฟันก็ได้พิจารณาเป็นจุดลึกพิจารณากำหนดหนังหนังของเราเนี่ยมันห่อหุ้มร่างกายทุกส่วนเอาไว้ ถ้จะเปรียบเทียบกเหมือนกระเป๋าหนัง เ, เรื อ, อกว่าถุงอันหนึ่งแล้วก็ในถุงนั้นมีเลือดมีเหงื่อมีอุจจละปัสสาวะเต็มอยู่ในนั้นตัวเองก็ต้องชําระเช็ดถูอยู่บ่อยๆจึงจะสะอาดถ้าหากว่าเราขาดการดูแลรักษาเพียงวันสองวันความสกปรกก็จะเกิดขึ้นร่างกายของเราก็เหมือนกันนั่นทดลองเลยที่เราไม่อาบน้ําสักสองสามวันมันกลิ่นเหม็นคลุ้งไปหมดนเะพราะมันออกตามเหงือ่อตามใคร เพราะเหตุไรมันจึงเหม็นเพราะว่าเข้าไปข้างในมันมีอุจจารปัสสวะเต็มไปหมดอยู่ในนั้นเป็นของปฏิกลอันนี้คือพระพุทธเจ้าท่านให้มองให้ดูให้เห็นว่าในร่างกายของคนเราทุกคนเป็นของไม่เที่ยงเป็นอนิจจังเป็นอนัตตาไปตามสภาพดิ้นน้ำลมไฟให้เห็นตามความเป็นจริงพวกเราให้ตั้งอกตั้งใจภาวนาในพรรษานี้ ให้เข้าสู่ความสงบให้ได้ความสงบในอย่างที่ผมว่านะทําจิตให้สงบทําจิตให้เป็นหนึ่งอือย่าให้มันสลับบ อ, อกไปข้างนอกทามันผิดปกตินะ่ะรีบบอกหมู่พกเพื่อนแล้วก็หมู่พกเพื่อนถ้าเห็นอาการผิดปกติถึงองค์นั้นจะไม่มาพูดก็ตามถ้าเห็นผิดปกติรีบมาบอกให้ผมนะหรือบอกให้ครูบาอาจารย์องค์ที่พอจะรู้รับทราบได้ไม่ใช่ปล่อยปะละเลยไม่ได้นะเสียกันนะ เพราะนั้นต้องบอกมีอะไรเกิดขึ้นหรือไม่สบายอะไรเกิดขึ้นก็ให้บอกแล้วก็หมู่พวกเพื่อนทุกองค์ที่มาบวชบางองค์ก็มีญาติพี่น้องมาเยี่ยมเพือนฝูงมาเยี่ยมอแล้วก็พระเวรองค์ไหนที่อยู่ศาลาอแล้วก็องค์อยู่ที่เวร น, น้ําร้อนนั่นเนี่ยทางว่ามีญาติโยมหมู่พวกเพื่อนพระองค์ใดท่านองค์ใดก็ตามที่มาเยี่ยม ไม่ควรจะให้เข้าไปที่กุฏินะอันนี้คือกฎระเบียบภายในวัดของเราปฏิบัติกันมาอย่าให้โยมญาติพี่น้องเข้าไปในกุฏิถ้าเข้าไปก็ต้องได้รับอนุญาตซะก่อนตามไม่จริงก็ไม่ควรจะเข้าไปนะถ้าไม่จำเป็นเพราะว่าองค์นั้นกัญาติเข้าไปองค์นี้นกับญาติพี่น้องเข้าไปเดี๋ยวก็ไปคุยกันขโมงโค้งเขงในวัดวัดของเราต้องการความสงบ แต่ในถ้าเข้าไปแล้วมันจะเป็นการบรบกวนคนอื่นเขาพระองค์อื่นเขาเป็นการไม่ดีและอีกอย่างหนึ่งพระใหม่ในพระวินัยก็ไม่รู้จักกฎระเบียบของวินัยบางทีเพื่อนหญิงเพื่อนชายบางทีมีแต่เพื่อนหญิงเคยไปแล้วเคยไปก็ไปนั่งคุยกันอย่างนี้เสียหายเสียภาพพจน์ของวัดทั้งหมดเพราะนั้นเวลาญาติพี่น้องท่านผู้ใดก็ตามองค์ใดก็ตามที่จะมาพบ ก็ให้พระองคงอยู่ที่ศาลาเนี่ยให้ไปตามหมู่พระอยู่ที่ใดให้มาพบกับญาติพี่น้องให้พบกันที่ศาลาหลังนี้แหละนะพบกันที่ศาลาชั้นล่างมีอะไรก็พูดคุยกันอย่างนั้นก็จบไม่ควรจะพาไปเที่ยววัดเพราะวัดต้องการความสงบเพราะฉะนั้นพระที่อยู่ศาลาเนี่ย เ, เป็นผู้บอกห้ามปรามโยไม่ให้เข้าไปในเขตของพระ พระต้องการความสงบต้องการภาวนาพะพวกเรามาไม่ใช่ว่ามาแสดงมาต้องการความยุ่งเหยิงวุ่นวายมาหาแหล่งความสงบเพราะนั้นให้หมู่พเพื่อนทุกองนะมารับญาติพี่น้องที่ศาลามีอะไรก็พูดคุยที่ศาลาพอประมาณจากนั้นก็เลิกลากานกลับคือผมเน้นหนักอยากจะให้หมู่พเพื่อนได้ภาวนาอย่างเต็มที่แต่ถ้าว่า ปล่อยความยุ่งเหยิงวุ่นวายเข้าไปแล้ววัดของเราก็เสียไปหมดเสียภาพพจน์เสียความสงบวันนั้นหมู่พเพื่อนในตังอกตั้งใจภาวนาในพรรษานี้ที่หลวงตาท่านมาพูดเมื่อวานท่านก็พูดให้แถวแนวแห่งการประพฤติปฏิบัติใ้พระทดลองนะอดอาหารเห็นฟั ง, งนะการอดอาหารนี่ก็ไม่ใช่ว่าอดอาหารแล้วจะพ้นทุกทีเดียว หรือหมดกิเลสทีเดียวอย่างนั้นไม่ใช่เป็นแต่ว่าแถวแนวเป็นการเสริมกันอ่างนั้นถ้าหากว่าไม่อดอาหารทานอย่างเต็มที่ก็ความคิดกิเลสมันเกิดขึ้นเพราะนั้นก็ต้องผ่อนมันผ่อนมันบ้างแต่ท้งนี้ท้งนั้นก็เป็นการแนะแนวแนะแนวทางปฏิบัติเท่านั้นเองที่บอกให้ฟังเราคือเมื่อตก่อนเราปฏิบัติอย่างนั้น พวกท่านท้งหลายเมื่อมีอายุอย่างหนุ่มอยู่ควรจะปรับตุงแก้ไขตัวยังไงควรจะทําอย่างนั้นได้ไหมหรือทํำยังไงให้สังเกตอย่างที่หลวงตาท่านบอกนะการประพฤติปฏิบัติธรรมต้องสังเกตตนเองกินยังไงนอนยังไงพักผ่อนยังไงปฏิบัติยังไงทําความภาคเพียรขนาดไหนยึดกรรมฐานอะไรเป็นหลักก็ให้สังเกตตัวเองไม่ใช่ว่าจะแต่ว่าทําเป็นวันๆไปผล ออกมาอย่างไงเราไม่รู้วันนั้นถ้าว่าสังเกตแล้วพวกเราจะรู้ได้ว่าการประพฤติปฏิบัติของเราได้ผลมากน้อยอย่างไงแค่ไหนเรารู้โดยตนเองอย่างนั้นก็อันไหนมันผิดอันไหนมันถูกก็สังเกตอันไหนมันหย่อนอันไหนมันตึงก็สังเกตโดยบ้างมันจะหย่อนนัหนามากกว่าตึงมันน้อยสรุปแล้วคือการปฏิบัติมีอยู่สอง สมัตรรมหรือวิปัสนาสมัตรคือความทำจิตให้สงบทำจิตให้เป็นหนึ่งไม่ให้มันฟุง้งซ่านจะยึดกรรมฐ า, านอะไรก็ได้พุทธโธธรรมโมสังโคอาณาปานสติการกำหนดลมหายใจผมเคยเคยพูดให้หมู่พวกเพื่อนฟังไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่หนกำหนดลมหายใจเข้าออกหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าพุทหายใจออกโมก็ให้เหมือนเรายืนอยู่ข้างประตู เวลาคนเข้าไปเราก็รู้ว่าคนเข้าคนออกไปรู้ว่าคนออกไม่ต้องตามลมเข้าไปแล้วก็ไม่ต้องตามลมออกมาให้มีสติอยู่ที่ปลายจมูกที่ลมผ่านเข้าออกให้มีสติอยู่ทนนี่นั่นหายใจเข้าก็รู้ว่าหายใจเข้าไม่ต้องเพ่งอะไรมากมายนะให้เป็นธรรมชาติที่สุดตามปกติลมหายใจเขา้มามันก็เข้าอยู่แล้วหายใจออกมันก็ออกอยู่แล้วเพียงแต่ว่าให้มีสติอยู่ที่ลมกระทบ หายใจเข้าก็รู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกก็รู้ว่าหายใจออกเท่านั้นเองไม่ต้องตามลมเข้าไปและไม่ต้องตามลมออกมาอย่างที่ท่านองค์พูดเมื่อกี้เนี่ยเรื่องกายบริหารเรื่องนี่ยอันนั้นถึงจะบริหารขนาดไหนกองกายมันก็เป็นอนนจังของไม่เที่ยงอยู่แล้วถึงข่าวตายมันก็ตายถึงเข้าแตกมันก็แตกเพียงแต่ว่าเราดูกินมันเลี้ยงมันไปดูแลมันไป ให้ปูกตามสุขลักษณะของร่างกายมันมีลาพักผรกับนพักผ่เวลาเลี้ยงอาหารก่อนเลี้ยงอาหารอืมแต่ถึงยังไงมันก็อนิจจังของไม่เที่ยงอยู่แล้วทุกขังเป็นทุกอ น, นัตตาไม่ใช่ตัวตนอยู่แล้วถึงจะเลี้ยงอินมีพีมันขนาดไหนก็เถอดดูแลตีขนาดไหนก็เถอดร่างกายนี่ก็จะต้องแก่จะต้องเก็บจะต้องตายในที่สุดมันไม่พิเศษพิโสไปกว่านั้นร่างกายของมนุษย์น่ะขนาดพระพุทธเจ้าเอง ท่านมีฤทธิ์มีเดชพอเหินเดินฟ้าได้ท่านก็ยังจากไปจากนั้นก็ยังพระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าจากักรพรรดิในโลกไม่รู้ว่ายุคไหนต่อยุคไหนเขาก็จะคงจะทํารักษาอย่างเต็มที่นะรักษาร่างกายตัวเองสิ่งไหนที่มันดีเว่าปนปืนยาหยุกยาอะไรดีๆเขาก็มาปนปือเพื่อจะให้อยู่นานที่สุดน่อืมแต่ถึงอายุไขก็ต้องจากไปอีกอย่างเก่าเพราะเป็นอนิจจังของไม่เที่ยง ร่างกายมันถึงมีกำหนดของมันอายุของมันพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าภาชนะดินก็ดีภาชนะอะไรก็ดีถึงจะเล็กหรือใหญ่ผลที่สุดก็คือแตกสลายในที่สุดอันนี้ก็เหมือนกันร่างกายของคนเราเกิดมาแล้วมันก็ต้องแตกสลายในที่สุดถึงจะรักษาดีขนาดไหนก็เถอดจะรักษาดีเ็ออยู่ได้นานหน่อย ถ้ารักษาไม่ดีก็เอื้อแตกสลายไปออันนี้ก็เหมือนกันแต่ว่าต้องแตกจะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้อันนี้ร่างกายของคนเราก็เหมือนกันนะั่นแหละถึงจะรักษาดีขนาดไหนก็เถ อ, อะถึงจะบริหารขนาดไหนก็เถ อ, อะเอเป็นอันหนึ่จังของไม่เที่ยงตรงพิจารณาดูอันหนึ่จังอะไรเป็นของไม่เที่ยงทั้งหมดในร่างกายสังขารนะในความคิดตัวเองก็คิดแล้วคือ ถ้าว่านักภาวนาจริงๆเนี่ยอย่างที่องค์มาพูดเมื่อกี้เนี่ยขนาดความคิดตัวเองก็จะเป็นอนิจจังความนึกคิดเนี่ยเป็นอนิจจ <wh <wh ังเห็นได้ชัดเลยเดี๋ยวก็คิดเรื่องนั้นเดี๋ยวก็คิดเรื่องนี้มันไปขอไม่เที่ยงแท้แน่นอน่เหมือนกันอนิจจังทั้งภายนอกอนิจจังทั้งความคิดตัวเองเอ่มันดูแล้วถ้าเป็นอนิจจังจะเป็นตัวตนได้อย่างไรออถ้าเห็นรู้ตามความเป็นจริงแล้วจะหนี่งนั่นล่ะ มันจะถูกทางเลยพอเห็นอะไรก็ตามให้น้อมมาลงสูดไตรลักษณ์สิ่งเหล่านี้นเป็นของไม่เที่ยงสิ่งเหล่านี้มันเป็นทุกข์ที่เรารู้เราเห็นทั้งหลายไม่ใช่ตัวตนของเราเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานักปฏิบัตินักภาวนาทั้งหลายเนะี่ยเห็นอะไรก็ตามเห็นนิมิตอะไรก็ตามให้น้อมมาหาไตรลักษณ์ถ้าน้อมไปไตรลักษณ์นั้นไม่หลงหรอก ถ้าน้อมไปในทางวิเศษวิโสเป็นผู้สำคัญเป็นผู้เลิศเลอ เ, เป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์อะไรขึ้นมาน่นะหลงละท่านนี่หลงอะเพ้อเพอเป็นบ้าปเป็ น, ป น, บ, ป น, ป น, ปนบอไดไง่ายๆในบอกที่ปัจฉิณูิปัจฉนูอุปกิเลสกิเลสนำหน้าอนั้นหลงทาง น, นพวกเราให้ภาวนาให้มีสติถ้ามันไปเห็นนิมิตอะไรก็ตามอย่าไปตามดูมัน อย่างลวงตามหาบัวธันวานฉันนั่งภาวนาประมาณชักวตีสามตีสี่นีพอนั่งภาวนาเลยเห็นไฟมันขึ้นต่อหน้าแต่เหมือนบางไฟที่เป็นดอกมันพวดพวยพวดขึ้นมาเนี่ะเป็นดอกขึ้นมาพอเห็นก็เพ่งดูมพราเพ่อมืนขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นมองดูโอ้โหมันขึ้นสูงเหลือเกินพระนั้นนะมันมันขึ้นตามที่มองดูที่มันขึ้น ท่านบอกที่มันขึ้นมันขึ้นเพราะอะไรทําไมใครเป็นคนบอกว่ามันขึ้นใครเป็นคนบอกว่ามันลงใครเป็นคนสมมุติเห็นว่ามันขึ้นท่านท่าก็น้อมจิตเข้ามาหาตัวผู้รู้เนะ่ยใครเห็นว่ามันขึ้นพอมากําหนดจุดนั้นทเองมันก็นวูบวูบวูบ ว, ว, วลงมาโอ้สิ่งตั้งหลายทั้งปวงมันออกไปจากใจนี่เองทำางนั้นน่ะ มันใช่ออกไปจากที่อื่นไม่ออกไปจากตัวใจนี่เองใจไปให้ความสำคัญใจไปรุ่มหลงใจไปสำคัญผิดมันก็เลยไปใหญ่ทันวันนี่แหละถ้าว่าคนที่ไม่รู้ก่าไปเพ่งออกไปข้างนอกมันก็ไปใหญ่ถ้าผู้ปฏิบัติแล้วจะต้องเข้ามาหาจุดคือหลักใครเป็นคนไปให้ความสำคัญจุดนั้นเอามีสติจับตัวใจท่านเองนะ่สิ่งทั้งหลายทั้งปวงมันก็หายหมดนิมิตทั้งหลายก็หายหมด คือนิมิตนิมิตคือความหมายอันหนึ่งท่านเองอาจรพวกเราให้ศึกษาปฏิบัติแล้วก็ฟังเทปผูบาอาจารย์แล้วก็อา่านหนังสือแล้วก็จะไปเพ่งนอกอย่างที่บอกนั่นละเมื่อเห็นนิมิตก็กลับมาหากับฐานมาหาฐานเดิมไม่ใช่มาฐานแบบ ล, ลอยๆเลฐานจริงๆให้มีสติจริงๆเล กับมาหากรรมฐานเนี่ยเรากำหนดพุทธโธพุทธโธพร้รูากำหนดพุทธโธจริงๆริการเดินยองกลมพอเราจะจบออกทางเดินยองกลมแล้วขึ้นไปกุฏิไปไหว้พระพอไหว้พระเราไม่ต้องทำวัดอะไรมากหรอาการพุทธโธธรรมสังโฆจบแล้วก็นั่งัสมาธิเลยบริกรรมพุทธโธพุทธโธพุทธโธพุทธโธกาหนดลมหายใจเข้าออก อันนี้จิตจะเข้าสู่ความสงบได้ง่ายเพราะว่าในขณะที่เราเดินจงกรมนั่นอะ่ะมันเป็นการเคลื่อนไหว ใ, ใจของเรามันกระเพื่อมมันได้เคลื่อนไหวอยู่เรื่อยแต่นี้พอเราขึ้นไปนั่งป๊บมันต่อเนื่องกันกันกบการเดินพอขึ้นไปแล้วก็กําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกหรือจะพิจารณาร่างกายตั้งแต่ผมขนเล็บฟันแล้วก็พิจารณากะโหลกศีรษะให้เป็นกระดูกเลยก็ได้ พี่นาดูกระโหลกตัวเองพี่นาดูคอตัวเองดูแขนตัวเองมันก็เหมือนนั่นแหละเอะกระดูกของมนุษย์เขาก็เป็นมนุษย์เราก็เป็นมนุษย์พี่นาดูร่างกายของตนเองร่างกายมนุษย์มีเพียงแค่นั้นแหละไม่มีอะไรมากกว่านั้นอืมเวลาเรานั่งสมาธิพอออกจากสมาธิเราก็ย้อนจิตมาหากรรมาฐานที่เรากําหนดอะไรเบื้องต้นที่เรานั่งภาวนาในวันนี้เรากําหนดอะไร เราก็น้อมจิดมาหากรรมาฐานเดิมฐานเดิมของเราเอางนั้นเถอะแล้วจากนั้นก็ออกจากสมาธิกราบพระซะจากนั้นก็จะทําอะไรก็ทําจะทําวัดเย็นต่อหรือจะพักผ่อนก็ ต, ตามอัธยาศัยสินี้จะอ่านหนังสือจะฟังเทปทําอะไรก็ได้แต่ว่าการเดินจงกรมพอเดินจงกรมเสร็จแล้วเนะี่ยอยากจะให้นั่งภาวนาต่อ น, นั่นแหะทางว่ามีเวลานะทาไม่มีเวลาก็ไม่ว่ากัน ถ้าเราเดินโยกมเสร็จแล้วเราก็บางทีก็ตอนช้านะก็ได้เวลาออกมาบินธบาทแล้วก็ไม่จําเป็นต้องนั่งเดินกลมเสร็จแล้วก็เอาบาทมาสะลาเลยแต่ถ้าว่าพอมีเวลาควรจะนั่งภาวนาด้วยเพราะมันต่อเนื่องกันจะทําให้จิตสงบได้ดีได้ง่ายง่ายขึ้นเพราะขณะที่เราเดินะมันมันเคลื่อนไหวแต่ถ้าหากว่าถามว่าขณะที่เดินยโยกลมนั่นจิตสงบได้ไหมอันนี้ได้แน่นอ น, นต้องได้ จิตสงบในการเดินเนี่ยจะละเอียดกว่าเข้าลึกกว่าละเอียดกว่าการนั่งภาวนาเพราะว่าการเดินอย่าผมเนี่ยถ้าไม่จริงๆมันจะไม่สงบเด้ถ้าจิตสงบในขณะเดินจะเป็นยังไงขาเนี่ยมันจะชิดเข้ามาหากันยืนนิ่งเลยนะเออมันจะไม่ก้าวเลยโดยอัตโนมัติของมันเลยใจมันจะเข้าสู่ความสงบขามันจะชิดเข้ามาอยู่เดินนิ่งเลยแหละเออสติวกับจิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจงกว่ามันจะถอนออกไป อันนี้คือจิตสงบในขณะที่เดินอแต่ว่าการสงบในการนั่งง่ายกว่าเร็วกว่าเพราะว่ามันไม่มีการเคลื่อนไหวนั่นแหละอยากจะให้หมู่พวกเพื่อนทุกองอยากจะให้รู้ว่าจิตสงบนั่นคืออะไรนัตติสันติปรังสุขขังความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีนอยากจะให้พวกเราได้สัมผัสความสงบของสมาธิ แต่เมื่อสงบในสมาธิแล้วไม่มีวันลืมแล้วกันจิตใจเยือกเย็นมีความสุขมากในพรรษานะี่อยากจะให้หมู่พกเพื่อนทุกองค์สัมผัสในธทรรมปฏิบัติในตัวเองนะนะั่นน่ะความสุขไม่ต้องหาที่อื่นหาในใจของเรานะนะั่นน่ะหาในตัวของเราเพราะฉะนั้นพยายามเล่นความภาคความเพียรตั้งอกตั้งใจในการทําความภาคความเพียรเป็นผู้มุ่งมั่นเป็นผู้ตั้งอกตั้งใจเนี่ยผมอยากจะเห็นอย่างนั้นเหมือนกันนะ่ะ เพราะธรรมะของพระพุทธเจ้าครูบาอาจารย์ท่านเคยประพฤติธปฏิบัติมาแล้วท่านรู้เห็นมาแล้วท่านจึงมาสอนแต่พวกเรามาแล้วทําไมไม่เห็นอะไรธรรมะอะไรสายแสงเข้าสู่จิตใจของเราเลยเนี่ยมันยังไงอยู่ถ้าหากว่าเรามีความใส่ใจมีความมุ่งมั่นตั้งอกตั้งใจประพฤติธปฏิบัติไม่เวลาใดก็เวลาหนึ่งไม่ขณะใดต้องขณะหนึ่งไม่วันใดก็ต้องวันหนึ่งความสงบก็จะเข้ามาสู่จิตสู่ใจของพวกเรา น, น, นะพวกเราก็จะมีความดีอกดีใจเรียกว่าตื่นอกตื่นใจเรียกว่าพออกพอใจในการประพฤติปฏิบัติว่างั้นเเนี่ยขนาดหลวงตาท่นานอายุแก่ขนาดนั้นแล้วท่านก็ยังเดินโยงกลมตื่นเช้ามาอย่างที่ท่านพูดในวันนั้นนะตื่นมาทางเการเดินโยงกลมของท่านภาวนาของท่านไม่ลดละท่านทําไปเพื่อเป็นเครื่องอยู่คือวิหารธรรมเป็นการเปลี่ยนเอตรยาบรื่นเริลง ในการประพฤติปฏิบัติของท่านถ้าท่านจะให้ชําระยิ่งไปกว่านั้นคงไม่มีอีกแล้วตามที่ท่านเคยพูดเคยบอกท่านภาวนาของท่านเหมือนกับเศรษฐีเนี่ยมีทรัพย์มากเท่าไหร่ยิ่งขยันไม่เหมือนขี้ทุกทั้งหลายจนเท่าไหยยิ่งขี้เกียจยิ่งนอนยิ่งไม่เสาะแสวงหาเศรษฐีทั้งหลายเนี่ยมีเงินทรัพย์สมบัติมากเท่าไหร่ยิ่งขยันนั้นก่อทาอันนี้ก่อทา รู้จักขารู้จักประหยัดรู้จักเก็บแ้วยิ่งรวยเนอแต่คนจนทั้งหลายแลนี่ยกินแล้วก็นอนนอนแล้วก็ไม่สะแสวงหาไปยิ่งจนอันนี้ก็เหมือนกันท่านผู้มีธรรมท่านเห็นธรรมแล้วเป็นอัตโนมัติของท่านเองเนอขยันโดยอัตโนมัติอืมแต่ถ้าหาว่าคนไม่เคยเห็นธรรมมันคล้ายๆว่ามันขี้เกียจทำอะไรมันก็ไม่เห็นผลมันก็เลยขี้เกียจ อคือขี้เกียจในการทํามาค้าขายนั่นแหละเดี๋ยวอันดับแร ก, กมันก็ต้องสู้ ก, ก่อนนะต้องทนไปก่อนเหมือนกับเด็กเรียนหนังสือนั่นแหะพวกเราเคยเห็นไหมเด็กคนไหนบ้างที่ตั้งใจไปเรียนหนังสือโดยมากมันยากอยู่ด้แต่โดยมากก็ต้องเคี้ยวเข็นกันแต่พอมันโตขึ้นมาทีนี้มันเห็นคุณในการเรียนว่าเออเรียนมีประโยชน์ยังไงอแล้วมันขยันเองเยิ่งไปทําการทํางานทีนี้ ยิ่งเห็นว่าการร้อยการศึกษาหรือการศึกษาต่ำเนี่ยมันสู้เขาไม่ได้ยังไงมันขยันเองทีพราะมันเห็นผลอันนี้ก็เหมือนกันอันดับแรกมันก็ต้องบังคับบังคับให้เดินกลมบังคับให้นั่งภาวนาบังคับให้จิตใจอยู่กับกรรมฐานใดกรรมฐานหนึ่งบังคับให้มันอยู่เป็นจดุดบังคับซะก่อนอย่างนั้นแ ต, แต่ต่อไปถ้ามันเห็นคุณแล้วจะไม่ต้องบังคับละมันหมันขยันเอง วันนั้นให้หมู่ภพเพื่อนทุกองตั้งอกตั้งใจวันนี้ผมขอพูดเพียงเท่านี้ก่อนนะ